สิ่งต่างๆรอบตัวเรานะด้วยไอสนะทั้ง5ซึ่งสําคัญที่สําคัญคือตาเนี่ยลองลงมาก็อาจจะเป็นหูเวลาเรารเรารับรู้สิ่งต่างๆด้วยตาก็ดีด้วยหูก็ดีอย่าใช้แต่เพียงความรู้สึกความรู้สึกว่าพอใจไม่พอใจถูกใจไม่ถูกใจแต่ว่าควรจะ รับรู้ด้วยปัญญาด้วยเพราะว่าาเรารู้สิ่งต่างๆด้วยความรู้สึกพอใจไม่พอใจมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมาแถมบางทียังเกิดโทษเวลามีความไม่พอใจเกิดขึ้นนะมันก็เกิดทุกข์ในใจเกิดโทสะเวลาพอใจก็เกิดโลภะเกิดตัณหาก็เป็นทุกข์อีกแบบหนึง่ง แต่ถ้าเราไม่ได้ใช้แต่ความรู้สึกหรือใช้เวทนาในการรับรู้สิ่งต่างๆแต่ว่าใช้ปัญญาด้วยมันก็ทำให้เราได้เห็นอะไรหลายอย่างที่มากไปกว่าสิ่งที่เห็นด้วยตาแลวมันก็อาจจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในชีวิตของเราได้มีนักธุรกิจคนหนึ่ง อายุก็ยังไม่มาก30กว่าเป็นผู้จัด ก, การบริษัทหนึ่งนะซึ่งทำหน้าที่จัดจำหน่ายสินค้านะเครื่องอุปโภคบริโภคอันนี้เมื่อ40ปีที่แล้วนะก็ อ, อุปโภคบริโภคก็มีหลายอย่างนะเช่นบะหมีสสำเร็จรูปหรือที่เรียกมามา่มาลูกอมยาสีฟัน น้ำส่วนสายชูอะไรํำนองเนี่ยก็เรียกว่าประสบความสำเร็จนะสามารถที่จะขยายตลาดทำให้สินค้านะขายได้ดีแต่เขาก็ยังรู้สึกไม่พอใจนะเพราะว่าเขาอยากจะเป็นเจ้าของกิจการเองแต่นี้เขาก็เป็นเพียงแค่ลูกจ้าง และคำ ว, ว่าเจ้าของากิจการของเขานี่ก็รวมไปถึงเป็นเจ้าของสินค้าด้วยแล้วเขาก็มาคิดคำนวณนูนะเป็นเจ้าของสินค้าอย่างเช่นพวกบ่มีสำเร็จรูปหรือว่าของกินของใช้เนี่ยมันก็ต้องหมายถึงการทำโรงงานผลิตสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาซึ่งก็ต้องใช้เงินทุนมากแล้วก็ไม่มีทุนขนาดนั้นนะ ที่จะเป็นเจ้าของสินค้าแล้วถ้าไม่เป็นเจ้าของสินค้ามก็เป็นเจ้าของกิจการเต็มตัวไม่ได้หั้งที่ที่เขาทำอยู่มันก็มีความสำเร็จพอสมควรแล้วเงินเดินเขาก็มากนะแต่ว่าเขาหวังอะไรที่มากไปก่อนนั้นแล้วหนึ่งเนี่ยเขาไปต่างจังหวัดนะแล้วก็ไปเห็นเด็กเลี้ยงควายนะนั่งอยู่บนหลังควาย แล้ในมือก็ถือวิทยุซันทรานซิสเตอร์ฟังเพลงแต่เพลงมันไม่ได้มาจากสถานีวิทยุนะเพลงนี้มันมาจากเทปแคดเซ็ตนะเอาเทปเพลงเนี่ยมาเปิดฟังบนหลังควายนะกลางทุ่งนาเขาก็ได้ความคิดขึ้นมานะว่าหรือจะเรียกว่าได้ความรู้ก็ได้นะว่าไอ้เพลงเนี่ย มันก็ไม่ต่างจากบัามีสําเร็จรูปเลยนะก็คือเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคเหมือนกันบัมมีสําเร็จรูปเนี่ยกับเพลงหรือผู้ให้มันถูกต้องคือเทปเพลงเนี่ยมันคือสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ได้ต่างกันเลยและในเมื่อเขามีประสบการณ์นะมากมายในการจัดจําหน่ายบัา ม, มีสําเร็จรูป ทำไมไม่ลองจัดจําหน่ายเพลงหรือเทปเพลงดูแล้วไม่ใช่แค่จัดจําหน่ายนะสามารถจะเป็นเจ้าของด้วยได้ด้วยนะให้ทําโรงงานผลิตบัมบีสําเร็จรูปนี่มันใช้เงินมากนะแต่การจัดผลิตเพลงหรือเทปเพลงนี่มันไม่ได้ใช้เงินมากขนาดนั้นก็เลยเกิดความคืบหน้านะเราก็มา ผลิตเสียงเพลงหรือผลิตเทปเพลงขายดีกว่าความรู้ด้านการตลาดการโฆษณาแล้วก็มีเครือข่ายแล้วก็เยอะเพียงแต่ไปหาคนที่เขามีความสามารถในการจัดการเรื่องนักร้องนักดนตรีแล้วก็นักแต่งเพลงส่วนตัวเขาก็ทําหน้าที่แค่จัดจําหน่ายทําการตลาดการโฆษณาเท่านี้ก็เป็นเจ้าของกิจการได้ เต็มตัวนะแล้วนั่นก็คือที่มาของอบริษัทชื่อดังนะแกรมมี่นะเดีย๋ยวนี้หลายคนก็รู้จักนะแกรมมี่เนี่ยแต่ก่อน ก, ก็ดังเริ่มต้นมาจากการผลิตเทปเพลงขายแล้วก็สร้างความร่ำรวยนะให้กับนธุรกิจคนนียซึ่งก็คือไั่บุญตำรงชัยทำ ตอนเดี๋ยวนี้ก็แกรมมี่ก็ขยายใหญ่ตัวเป็นอาณาจักรที่ไม่ได้ทำแต่เพลงไอเทสเพลงก็ลาสมายัยไปแล้วยนนี้ก็ทำทั้งเพลงทั้งภาพยนตร์ทั้งอะไรต่ออะไรมากมายที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความบันเทิงแล้วก็ขยายนะกิจการเปหลายอย่างเรียกว่า เป็นกิจการที่มีเงินทุนเน่เป็นเรียว่าหมื่นล้านเลยมั้งมันก็น่าสนใจนะมันเริ่มต้นมาจากการที่เห็นเด็กเลี้ยงควายนะฟังเพลงด้วยวิทยุทรานซิสเตอร์นะแล้วก็เกิดความรู้ขึ้นมาว่าเพลงนี่มันก็เป็นสินค้าบริโภคไม่ต่างจากบะมีสสำเร็จรูปหรือมาม่าเนี่ย ก็ทำให้เขาเห็นช่องทางในการทำธุรกิจซึ่งก็เติบใหญ่นะอย่างที่เรารับรู้กันในเวลานี้อันนี้เลย ว, ว่าเขานะรู้จักมองนะคนธรรมดาก็มองเห็นเด็กเลี้ยงควายฟังเพลงบนหลังควายก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรอาจจะเห็นว่าเออมันเป็นภาพธรมธรมดาธรรมดา แต่คนบางคนพอมองเห็นแล้วนี่มันนำไปสู่ความคิดและโอกาสต่างๆอีกมากมายซึ่งมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตของคนคนนั้นได้แต่ว่านี่มันก็เป็นเรื่องทางโลกนะในทางธรรมเนี่ยมันก็มีตัวอย่างมากมายของของคนที่แค่เห็นสิ่งที่ดูเหมือนธรรมดาสา ม, มันเนี่ย แต่ว่ามันทําให้เห็นอะไรที่ลึกซึ้งไปกว่าภาพที่เห็นด้วยตาแล้วก็เรียกว่าทําให้เกิดปัญญาจนเปลี่ยนชีวิตได้เหมือนกันในสา ว, วุติกาลเนี่ยก็มีสามเณร น, น้อยคนหนึ่งนะเป็นลูกศิษย์พระสารีบุตรพระสารีบุตรนี่ก็มีลูกศิษย์ที่เป็นเนรนะหลายท่านนะ วันหนึ่งเนี่ยเนรก็เดินตามาพระไตรปุฎไปบินธบาตจากเชตวันก็เดินเข้าไปที่กลุส่สาวัตถีระหว่างทางก็นะเจอภาพต่างๆที่มาาันจะแสนจะธรรมดาสา ม, มัญแต่ว่าเนน้อยเนี่ยไม่เห็นอย่างนั้นนะทีแรกก็เดินผ่าน ทุ่งนาก็เห็นชาวนากำลังทดน้ำเข้านาเดินไปสักพักเข้าไปในหมู่บ้านก็เห็นช่างธนูกำลังดัดลูกธนูให้ตรงเดินไปอีหน่อยก็เห็นช่างไม้กำลังถากไม้ให้ให้เกลี้ยงเกลาคนอื่นเห็นภาพนี้แล้วก็ธรรมดาอาจจะมีความชอบไม่ชอบเกิดขึ้น หรือความพอใจไม่พอใจหรือเฉยๆแต่ว่าเนนน้อยเนี่ยชื่อสามเด็นบัณฑิตเนี่ยนะกับฉุกคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะน้ำเนี่ยน้ำก็ดีลูกสอนก็ดีไม้ก็ดีมันไม่มีชีวิตนะแต่ว่ามันก็สามารถที่จะถูกดัดแปลง ให้มีประโยชน์ได้อย่างเช่นชาวนาก็สามารถจะทดน้ำเข้านาช่างธนูก็ดัดลูกธนูให้ตรงนะช่างไม้ก็ถากไม้ให้เกลี้ยงเกลาทำเป็นเก้าอี้ทำเป็นโต๊ะจำนน่าฉุกคิดมาว่านีไอ้ของเหล่านี้เนี่ยมันไม่มีจิตใจเนี่ยก็สามารถจะดัดแปลงให้เป็นประโยชน์ แล้วเราะนะมีจิตมีใจแท้ๆทำไมจะไม่สามารถฝึกตนนะให้ประเสริฐให้เจริญงอกงามได้ก็เกิดความเรียกว่าปรารถนายัางแรงกล้านะในการที่จะฝึกตนนะจากภาพที่เห็นในแง่หนึง่งสามเณรก็จะได้คิดนะว่า ชาวนาก็ดีช่างธนูก็ดีช่างไม้ก็ดีเนี่ยล้วนแล้วแต่ดัดแปลงสินนอกตัวแต่ว่ามันมีการดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่านั้นนะก็คือการฝึกตนในเมื่อเราเป็นสา ม, มนเณรเราไม่สามารถจะไป เ, เป็นสา ม, มนเณรหรือเป็นนักบวชเนี่ยเราไม่สามารถจะไปดัดแปลงสินภายนอกได้ แต่ไม่มีสิ่งหนึ่งที่ควรทำคือดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงตนเองความคิดนี้ก็ประกอบเป็นข้อทำให้สา ม, มัญเดชเนี่ยเกิดความตั้งใจอย่างแรงกล้านะที่จะฝึกตนให้เรียกว่าอย่างวิกฤตเลยอย่างอุกิตเลยทีเดียวนะก็เลยขอพอาะสัจะบุตว่านะ จะกลับไปที่สำนักกลับไปที่เชตวันโดยที่ไม่ได้บอกเหตุผลมากนะพระารบุตรอนุ ญ, ญาตให้สามเณรน้อยเนี่ยกลับไปที่เชตวันสามเณรน้อยเนี่ยพอไปถึงเชตวันเนี่ยก็ภาวนาเลยนะภาวนาในวิหารดูจิตดูใจของตัวเอง จนกระทั่งได้บรรลุธรรมนะจิตแจ่มแจ้งในสัจธรรมของรูปและนามของกายและใจเนี่ยจนกระทั่งบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เลยพระเจ้าเนี่ยเมื่อเมื่อทราบเรื่องนี้เนี่ยที่จริงมีเรื่องนะว่าเนี่ยตอนที่พระไตตอนที่นเนี่ยกำลังภาวนาเนี่ยก็จะถึงจุดที่แจ่มแจ้งใน สัจธรรมเนี่ยพระสุระตรกลับมาจากบินธบาพอดีแล้วกำลังจะเดินไปที่วิหารที่สามเณรกำลังภาวนาอยู่พูะเจ้าเนี่ยก็ทรงทราบดีนะก็เลยเห็นว่าถ้าพระสัะบุดุเข้าไปในวิหารก็จะไปขัดก็ทำให้การปฏิบัติของสามเณรสะดุดพูะเจ้าก็เลยไป ไปดักเอาไว้ดักที่หน้าวิหารแล้วก็สนทนากับพระสริบุตรเรียกว่าทวงเวลาให้สามเณรเนี่ยได้ภาวนานนะจนบรรลุอรหัตผลเลยพอสามนเณรบรรลุอรหัตผลเนี่ยพเจ้าก็เลยตัดเป็นคาถาว่าเนี่ยชาวนาไขาน้าเข้านาช่างธนูดัดลูกธนู ช่างไม้ถางไม้ส่วนบัณฑิตย่อมฝึกตนไอเรื่องนี้น่าคิดนะสา ม, มเณรเนี่ยเดินผ่านเห็นภาพที่มันธรรมดาธรรมดาแต่ว่าสามเณรเนี่ยไม่ได้รับรู้ภาพเหล่านั้นเฉยๆนะแต่ใช้ปัญญาด้ยรับรู้ได้ปัญญาก็ทำให้ได้ฉุกคิดว่าเนี่ย ในเมื่อชาวนาข า, ขายน้ำเข้านาช่างธนูดัดธนูช่างไม้ถ่างไม้และเราเนี่ยควรจะทำอะไรเราก็ต้องฝึกตน น, นอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของคาถาที่พระเจ้าตรัสเมื่อสักครู่เนี่ยว่าเนี่ยบัณฑิตย่อมฝึกตนอันนี้ก็เลยว่าเป็นการมองนะด้วยปัญญาทางธรรมะเรียกว่า มียศที่โสมนัสิการการมองสิ่งภายนอกเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายนะถึงแม้ว่าเราจะได้ยินคำที่คูบาอาจารย์บอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกแต่ว่าคนเราเนี่ยมันก็ย่อมนะหลีกไม่พ้นที่ต้องรับรู้สิ่งภายนอกนะด้วยตาหรือรับรู้ด้วยหูเป็นต้นเนี่ย แต่ว่าไม่ว่าจะรับรู้อะไรเห็นอะไรได้ยินอะไรเนี่ยมันก็ไม่สำคัญเท่ากับว่ารับรู้อย่างไรนะนะเห็นอย่างไรได้ยินอย่างไรถ้ารับรู้ด้วยความรู้สึกนะมันก็อาจจะเพิ่มพูนกิเลสแต่ถ้ารับรู้ด้วยปัญญามันก็ทำให้เกิดก่อคิดขึ้นมาซึ่งสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ คนหนึ่งมองเห็นเด็กเลี้ยงควายกำลังฟังเพลงด้วยวิทยุฐานิสเตอรบนหลังควายนี่ก็ทำให้เห็นช่องทางในการทำธุรกิจตัวใหม่ซึ่งในสุดก็ประสบความสำเร็จหรือคนหนึ่งเนี่ยมองเห็นชาวนาขายนา้ำเข้านา ก็ทำให้เกิดแรงบันดาลใจนะในการที่จะฝึกตนคนหนึ่งเห็นมองมองแล้วเห็นช่องทางในทางในทางโลกในทางอาชีพแต่คนหนึ่งมองแล้วเห็นความสำคัญนะของการฝึกตนบำเพ็ญตนอันนี้เรียกว่าถ้าเรามองเป็นนะในแง่น่งก็เห็นช่องทาง เห็นโอกาสในทั้งโลกแต่อีกด้านหนึ่งสำหรับผู้ใฝ่ธรรมเนี่ยเมื่อมองทางมองเป็นก็เห็นธรรมเราก็ต้องควรฝึกนะในการที่จะรู้จักมองโลกภายนอกหรือสิ่งต่างๆแบบนี้บ้างแม้ว่าสิ่งที่มันเป็นสิงธรรมดาสามัญแต่ว่ามันเป็นอะไรมากกว่าสิ่งที่เราเห็นด้วยตา มันสามารถจะบอกอะไรหลายอย่างกับเราได้ถ้าเราใช้ปัญญาไม่ใช่แค่ปัญญาทางโลกนะแเป็นปัญญาทางธรรมก็ได้เช่นใบไม้ร่วงเนี่นะใ บ, ไ ม, ออบไม้ร่วงเนี่ยเราเห็นใบไม้ร่วงเนี่เราก็รับรู้ว่าเนี่ยมีใ บ, บหนึ่งใบกำลังร่วงมานี่คือสิ่งที่เห็นด้วยตาแต่ว่ามันสะท้อนอะไรบางอย่าง ที่มาไปกว่าตาเห็นนะเช่นอะไรนะสะท้อนหรือบอกความจริงเกีก่ยวกับความไม่เที่ยงเรืองอนิจจังใบไม้ที่ร่วงมันก็สอนมันก็บอกเรื่องอนิจจังความไม่เที่ยงแต่บางคนอาจจะเห็นนะหรือเกิดคำถามขึ้นมาเกีก่ยวเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกก็ได้ ก็ทำให้เกิดการคิดค้นทำความเข้าใจเรื่องแรงโน้มถ่วงเหมือนกับที่เขามีมีตำนานเล่าว่าเนี่ยนิวตันเนี่ยนะเห็นลูกแอปเปิลเนี่ยมันร่วงหล่นขณะที่กำลังเอกเขนเอกอยู่ใต้ต้นแอปเปิลไม่รู้แอปเปิลก็ร่วงหล่นเป็นธรรมดาของมันนะแต่ว่านิวตันเนี่ยเกิดความสงสัยนะว่า มันลงมาได้ยังไงอะไรทำให้แอปเปิลเนี่ยมันหล่นลงจากกิ่งสู่พื้นนะเขาก็เลยพบคำตอบเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกหรือแรงดึงดูดซึ่งก็สามารถอธิบายว่าทำไมดวงจันทร์เนี่ยจึงหมุนรอบโลกหรือว่าทำไมจะเกิดน้ำขึ้นน้ำลงนะ เวลาพระเวลาพระจันทร์เต็มดวงทาไมถึงเกิดน้ำขึ้นอะไรทำนองนี้ น, นี่แหละ ว, ว่ารู้จักมองนะคนหนึ่งมองเป็นก็เห็นนะหรือได้ความรู้ในทางโลกอีกคนหนึ่งมองเป็นก็เห็นธรรมเราซึ่งเป็นผู้ที่สนใจใฝ่ธรรมเนี่ยก็เมื่อจำเป็นต้องรับรู้โลกภายนอก ก็อย่าปล่อยให้ใหเวทนาเนี่ยมันมาเป็นใหญ่ในการรับรู้ไม่ว่าทางตาทางหูทางจมงูกทางลิ้นทางกายแต่ให้รับรู้ด้วยปัญญาด้วยบางทีพอเห็นแล้วมันเกิดความฉุกคิดขึ้นมาโดยที่ไม่ใช่ตั้งใจแต่มันพุทธขึ้นมาเอง เนี่ยที่เรามองโลกภายนอกนี่เราอาศัยปัญญาหรือมียนต์วิสโสมนัสิการแต่เราก็ไม่ลืมที่จะกลับมามองตนนะถ้าเราจะมองแต่ภายนอกอยู่เดยวมันไม่พอนะแล้วก็มันก็ไม่ใช่วิสัยของผู้ใฝ่ธรรมด้วยแต่เราต้องรู้จักนะกลับมามองตนหรือเชื่อมโยงสิ่งที่เห็นภายนอกเนี่ยเข้ามาสู่การฝึกตน หรือการเข้าใจตนอย่างที่สามเณรบัณฑิตเนี่ยเห็นชาวนาเห็นช่างธนูเห็นช่า ง, งไม้เลยเนี่ยไม่ใช่เห็นเปล่าๆเห็นแล้วก็ย้อนเข้ามากลับมาที่ตัวเองว่าเออแล้วเราเนี่ยในเมื่อเราไม่ใช่ชาวนาไม่ใช่ช่างธนูไม่ใช่ช่า ง, งไม้แล้วเราควรจะทําอะไรก็ได้คํำตอบก็ฝึกตนไงเรียกว่าย้อนกลับมามองตน เอาโลกภายนอกที่เห็นเนี่ยกลับมาส่งเสริมนะการฝึกตนซึ่งก็เป็นวิสัยของอนักภาวนานะอย่างบางท่านเนี่ยนะแค่เห็นใบไม้ร่วงเนี่ยก็บรรลุธรรมเลยนะเพราะว่าน้อมเข้ามาใส่ตัวนะใบไม้ร่วงเนี่ยมันสะท้อนหึงอ น, นิจจัง น, นิจจังที่ว่านี่มันก็เกิดขึ้นนะกับรูปและนามกับกายกับใจหรือเกิดขึ้นกับสังขารของตัวด้วยนะใบไม้ไม่ใช่ร่วงเฉยๆนะแต่มันเป็นเครื่องเตือนให้เรารู้ว่าชีวิตเราก็ไม่เที่ยงเหมือนกับที่พระรูปหนึ่งเนี่ยได้รับเมอบหมายให้พิจารณาดอกบัว ผู้ที่แนะนําให้ไปพิจารณาดอกบัวก็คือพระเจ้านี่แหละที่แลกพาวรูปนี้เนี่ยพิจารณาสุภาพกรรมฐานจากการแนะ น, นําของพระสรือบุตรแต่ว่าก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมาปุจจารณ์เนี่ยรู้วิสัยหรืออินทรีย์นะของพาวรูปนี้ก็ให้ไปพิจารณาดอกบัวทแทน ให้ดูจกนกระทั่งดอกบัวมันร่วงโรยนะกลีบมันร่วงไปทีล ะ, ทละกรีบทีละกรีบเดี๋ยวกันสีมันก็เริ่มแปรเปลี่ยนไปอารมณ์นั้นเนี่ยท่านพิจารณาดอกบัวแล้วก็ย้อนเข้ามาที่ตัวเองว่าเออสังขารเราก็ไม่เที่ยงเหมือนกันมันไม่ใช่แค่ดอกบัวที่ไม่เที่ยงก็บอกว่าบรรลุธรรมได้เหมือนกันไม่ใช่บรรลุธรรมเพราะเห็นดอกบัวมัน มันร่วงนะแต่ว่าน้อมเข้ามาใส่ตัวได้ว่าเนี่ยสังขารของเรามันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันอันนี้ระหว่าน้อมเข้ามาใส่ตัวเอาสิ่งที่เห็นเนี่ยโยงมาสู่ความจริงนะของตนในท่าที่เป็นสังขารในท่าที่เป็นรูปและนามนั้นถ้าเราหมั่นพิจารณาแบบนี้เนี่ยนะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นรอบตัวเราเนี่ยเราก็ได้ข้อคิดได้ประโยชน์นะ คนทะเลาะ ก, กั น, นเราก็ได้บทเรียนเตือนใจให้ไม่ประมาทว่าเออเนี่ยกิเลสคนมันก็ทําให้คนที่รู้จักกันเป็นเพื่อนกันหรือสามีภรรากันทะเลาะ ก, กันอย่างเงี้ยนะเราต้องระมัดระวังกิเลสนะตัวโทสะก็ดีตัวตัณหาก็ดีอย่าให้มันครอบครองใจไม่งั้นเราก็จะเป็นอย่างเขาเห็นคนเมาเห้คนบ้า เราก็ไม่ได้ดูถูกเหยยดยามก็แต่เราก็เอามาสอนใจตัวเองเพื่อที่เราจะไม่ได้เป็นอย่างเขานะไม่ว่าเจออะไรเห็นอะไรนี่มันก็เป็นเครื่องสอนใจเครื่องเตือนใจไม่เป็น้องพูดถึงเออเห็นคนที่สงบสารวมก็ยิ่งทำใหนะ้เกิดแรงบันดาลใจในการที่จะทำความเพียรเพื่อจะได้มีความสงบสำรวม หรือเห็นคุณค่าของธรรมะที่ทําให้คนที่เห็นอยู่เบื้องหน้าเรานี้ยเขาสงบสํารวมอย่างที่อุปติสสะหรือพระสัลลิบุตรในเวลาต่อมาเนี่ยเห็นพระสัชชิแล้วเนี่ยเห็นท่านสงบสํารวมมากก็เกิดความสะดุดใจนะและทําให้ท่านได้เกิดดวงตายเห็นธรรมขึ้นมาหลังจากได้ฟัง นะภาศิทธ์ของพระสัชชิซึ่งมีแค่สองประโยชน์เท่านั้นแหละทำใดเกิดแต่เหตุพระตาคตกล่าวถึงเหตุแห่งธรรมและความดับแห่งธรรมนั้นนะนี่เป็นคำสอนของพระมหาสมณนะคือพระตุจ้าเนี่ยเท่านี้แหละนะโระไตรปบุก น, นี่หรืออปติสยัยดวงตายเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันเลยอันนี้เรียกว่าพอ ร, รู้จักใคร่ครวญด้วย ดังนั้นเวลาเราใน ะ, ะในด้านหนึ่งเราก็ต้องรู้จักนะหันมามองใจหันมาดูข้างในดูกายและใจดูด้วยสตินะเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตซึ่งต่อบแบบจะทำให้เห็นธรรมในธรรมแต่ในขณะเดียวกันเมื่อมองสิ่งภายนอกก็มองด้วยปัญญาหรือโยนิโสมนสิกการน้อมเข้ามาใส่ตัว เพราะถ้ามองเป็นก็เห็นธรรมนะเห็นธรรมที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้